อาจารย์เดินหายไปในความมืดทิ้งสิทธิ์ไว้ให้โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในป่าท่ามกลางเสียงร้องของสิงสาราสัตว์ซึ่งแม้มองไม่เห็นในขณะนี้แต่ก็อาจจู่โจมเข้ามาถึงตัวและทำร้ายจนถึงแก่ความตายได้ ภิกษุวัยสตั้งสติกำหนดกลัวหนอกลัวหนออยู่นานกระทั่งความกลัวค่อยลดน้อยลงจึงจะแจงปักกดทางที่ดีท่านจะต้องเข้าไปนั่งในกดให้เร็วที่สุดแม้จะมืดมิดไร้แสงสว่างหากแสงแห่งปัญญาซึ่งส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน ก็ช่วยให้ท่านปักกรดได้ในเวลาไม่นานนักแต่ครั้นจะเข้าไปนั่งกลับเกิดความรู้สึกว่าขาทั้งสองแข็งเกรง็งราวกับท่อนไม้ด้วยว่าผ่านการเดินมาคืนหนึ่งกับวันหนึ่งโดยไม่ได้หยุดให้ขาพักผ่อนขาก็เลยพากันประท้วง อย่าทรมานข้าเลยเจ้าขาที่รักข้าขอโทษที่ใช้เองสมบุกสมบันไปหน่อยก็อาจารย์ข้าไม่ยอมหยุดพักแล้วข้าจะหยุดได้อย่างไรท่านพยายามต่อรองหากก็ยังนั่งไม่ลงเพราะขาแข็งเกร็งอยู่อย่างนั้นจึงลองใหม่ด้วยการให้ศีลบ่ น, บน นี่ข้ามาสร้างบุญนะเอาเถอะข้าสัญญาว่าจะแบ่งบุญให้เองข้างละสิบเปอร์เซ็นต์ชะรอยขาของท่านคงจะงกบุญหรือไม่ก็คงอยากจะสร้างบารมีจึงยอมงอได้พับได้เช่นปกติสมภารวัยสี่หจึงประสบความสำเร็จในการเข้าไปนั่งในกรด อากาศเริ่มเย็นลงเย็นลงกระทั่งภิกษุที่นั่งอยู่ในกรดรู้สึกหนาวและแล้วท่านก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของผู้ที่ดูเหมือนกำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานสติบอกว่าเป็นเสียงเปรตมาขอส่วนบุญท่านจึงนั่งหลับตาบริกรรมคาถาอิทังสภเปตาหนังโโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเปตาเพียงสามจบสิ่งร้องโหยหวนก็หายไปแสดงว่าพวกเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลกันทั่วทั่วสมกับที่ปากหน้ามาขอกองทัพเปรตล่าถอยไปแล้วภิกษุวัยสี่สิห้ายังไม่รู้ว่ากองทัพอะไรจะมาผจญอีกท่านระลึกถึง บทสวดพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงผจญกับอุปสรรคนานาประการแต่ก็ทรงได้ชัยชนะทุกครั้งในที่สุดท่านก็ตกลงใจได้ว่าจะต้องสวดบทพาหุงมหากาเพื่อเป็นกำลังใจในอันที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆสวดพาหุงมหากาจบ พระครูวัย45่รู้สึกว่าความกลัวลดลงไปได้บ้างมีสติตั้งมั่นมากขึ้นจึงพิจารณาว่าการมาอยู่ป่า ท, ที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้จำเป็นต้องสวดมหาราชปริษหรือที่รู้จักกันในชื่อ12ตําตำนานเพื่อป้องกันภัยทั้งจากพูดผีปีศาจจากเทวดาพานบางพวกและจากสิงสาราสัตว์ต่างๆ ที่จะมาทำร้ายท่านได้แต่คงไม่จำเป็นต้องสวดครบทั้ง12ตําตำนานเลือกเฉพาะที่จะเข้ากับสถานการณ์ก็คงพอคิดดังนั้นแล้วท่านจึงเลือกที่จะสวดปริศหกตำนานต่อไปนี้ 1. กรณียะเมตสูตรหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่ามนขับผีเพื่อผูกมิดกับพูดผีปีศาจและเทพยดาทั้งหลาย พวกเขาจะได้ไม่มารบ ก, กวนท่าน 2. คขันธปริศเพื่อป้องกันงูเงี้ยวเคี้ยวขอมาทำอันตรายเพราะในสมัยพุทธกาลภิกษุทุดงรูปหนึ่งถูกงูกัดจนถึงแก่มรณภาพความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายแผ่เมตตาจิตไปยังพญางูทั้งสี่ตระกูลเพื่อป้องกันตัวต่อไปแล้วจึงตรัสขันธปริต หรืออหิราชกสูตร 3. วัตกะปริตหรือที่เรียกกันว่าคาถานนคุ้มเพื่อป้องกันไฟป่าเพราะหากไฟเกิดไม่ป่าขึ้นท่านเห็นจะต้องมอดม้วยมรณาที่วาวายแวบเป็นปลาแปะปิ้งอยู่ในป่าแห่งนี้ 4. ี่ทัชคคาปริตเพราะจะช่วยป้องกันมิให้เกิดความกลัวความสะดุง้ง ความพรั่นใจความขนพองสยองกล้าวทำให้เกิดขวัญและกำลังใจที่จะบำเพ็ญสมณะธรรมต่อไปห้าโพชงคาปริตเพื่อป้องกันอาพาธเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนและหกอพยปริษซึ่งเป็นบทสวดขจัดลางร้ายสิ่งไม่เป็นมงคลสิ่งนกสิ่งกาที่ไม่พึงใจ บาปเคราะห์และฝันร้ายให้พินาศไปด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตกลงปลงใจได้แล้วสิทธิผู้ถูกอาจารย์ทิ้งชั่วคราวก็เริ่มต้นสวดปริททั้งหกตำนานตำนานละสามจบใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษจากนั้นจึงทำวัดเย็นและนั่งภาวนาท่านไม่คิดจะเดินจงกรมและคงไม่ปลอดภัยเนื่องจาก จะต้องออกไปเดินนอกกรดอีกประการหนึ่งขาของท่านอาจไม่ให้ความร่วมมือเพราะอยากพักผ่อนมากกว่าด้วยว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าจากการเดินทางถึง20สบชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักท่านออกเดินทางมาตอนเที่ยงคืนและมาถึงป่าแห่งนี้เวลาสองทุ่มนับเป็นชั่วโมงได้20พอดิบพอดีขณะที่พระธุดงวัยสห้า กำลังนั่งภาวนาอยู่ในกรดเสียงสูบสาบก็ดังใกล้เข้ามาตามด้วยเสียงร้องแปรนแปรนสติบอกว่าช้างโขลงใหญ่กำลังเดินเข้ามาหาท่านเป็นช้างป่าดุร้ายสามารถทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ราบคาบได้ในพริบตาตายจริงเมื่อกี้เราก็ลืมสวดฉัดทันตปริทเพราะไม่คิดว่า จะมาเจอช้างจะทำอย่างไรดีสวดตอนนี้ก็คงไม่ทันการแล้วท่านวิตกเพราะเห็นหนอบอกว่าโคลงช้างกำลังเดินใกล้เข้ามาท่านคิดถึงหลวงพ่อดำทำอย่างไรจะให้หลวงพ่อดำมาช่วยพลันก็นึกถึงถ้อยคำที่อาจารย์สั่งไว้ว่า ให้นึกถึงสิ่งที่สมเด็จโตสอนคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรายามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้อาจารย์ที่จะช่วยท่านได้คือหลวงพ่อเดิมผู้ประสิทธิประสาทวิชาข้อจะศาสตร์ให้กับท่านนั่นต่างหากหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยท่านตั้งจิตระลึกถึงหลวงพ่อเดิมบัดดลเสียงหลวงพ่อเดิม ก็มากระซิบอยู่ข้างหูช่องปากโครงนี้ตุร้ายมากสวดชัดทันตะปริตสามจบเร็วเข้ารู้ว่าอาจารย์มาช่วยกำลังใจก็มาเป็นกองท่านจึงสวดชัดทันตะปริศสามจบอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงนาทีเพราะปริ์ดังกล่าวมีเพียงสองคาถา ฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่เรียนวิชาคดีศาสตร์คุณตายแน่นี่แหละคุณกำลังเผชิญกับความตายละ่ะผมก็ได้เรียนตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วผมคงไม่ตายใช่ไหมครับแต่ความกลัวทำให้ผมนึกไม่ออกหลวงพ่อกรุณาบอกบทด้วยเถิดครับหลวงพ่อดำ ท่านบอกผมว่าท่านดลใจให้ผมไปพบหลวงพ่อท่านกราบเรียนตามคำของภิกษุรัตนยงองนั้นใช้วิธีสื่อสารกับหลวงพ่อเดิมทางจิตแล้วหลวงพ่อดำท่านจะต้องเผชิญกับช้างโขรงนี้หรือเปล่าครับถามเพราะเป็นห่วงอาจารย์ซึ่งอยู่ห่างออกไป25ว่า ไม่ต้องห่วงท่านลุงพ่อดำท่านอยู่เหนือความเป็นความตายท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรจะไปทำอันตรายท่านได้คุณโชคดีที่ท่านรับเป็นสิทธิ์ฉันสิอีกที่ไม่มีโอกาส ท่านบอกว่าเคยให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผมเป็นคนที่สองที่ท่านให้และจะมีอีกคนหนึ่งที่ท่านจะให้แต่ท่านไม่ยอมบอกเธอถึงเวลาคุณก็จะรู้เองท่านขอบอกใบ้ไว้ก่อนว่าคนคนนั้นเป็นลูกศิษย์คุณ น, นั่นแหละใครครับ ท่านคิดไปถึงในหล่อไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเพราะคุณกับเขายังไม่เคยพบกันกลับไปนี่จึงจะได้พบโครงช้างใกล้เข้ามาจนเกือบจะถึงกรดสมผานวัดป่ามะม่วงจึงถามอาจารย์ว่าลุงพ่อครับผมสวดชัดทันตปริตสามจบแล้ว ยังหยุดยั้งพวกเขาไม่ได้อีกหรือครับหยุดยั้งได้แต่ที่เขามาเพราะต้องการให้คุณได้ใช้วิชาคติศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ทบทวนวิชาที่คุณร่ำเรียนมาและนำออกมาใช้เดี๋ยวนี้เสียงของหลวงพ่อเดิมสั่งอยู่ข้างหูสมผานวัดป่ามะม่วงใช้ตาปัญญา มองฝ่าความมืดออกไปพบว่าช้างเหล่านั้นเป็นช้างพลายทั้งโคลงและที่สําคัญคือพวกเขาเป็นช้างตกน้ำมันซึ่งตามตำราวิชาโคจศาสตร์บอกไว้ว่าช้างตกน้ำมันขาดสติฆ่าคนได้ใครพบเข้าต้องตายแน่นอนเว้นเสียแต่มีวิชาโคจศาสตร์มาช่วยท่านนึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อเดิม ที่ขอร้องแกมบังคับให้ท่านเรียนวิชาคชศาสตร์และเมื่อออกทุดงก็รู้ว่าหลวงพ่อดำดลใจให้ท่านไปหาหลวงพ่อเดิมครูบาอาจารย์ท่านมักมีสายตายาวไกลในอันที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่สิทธิจึงนับเป็นโชควาสนาของท่านที่ได้พบครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นภิกษุรัตญยูสองอ ง, งนี้ เสียงหลวงพ่อเดิมกระซิบอยู่ข้างหูว่ารีบแผ่เมตตาให้จ่าฟงเร็วเข้าแผ่ให้ทุกตัวไม่ดีกว่าหรือครับไม่จำเป็นเพราะตัวอื่นถึงคุณแผ่ไปให้เขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ยินส่วนจ่าฟงซึ่งคือหัวหน้าช้างเขาจะได้ยิน ช้างโครงหนึ่งจะมีหูทิฟอยู่ตัวเดียวคือตัวที่เป็นจ่าฟงส่วนตัวอื่นๆไม่มีฉันสอนคุณแล้วเอาวิชาความรู้มาใช้ให้ได้ไหนลองบอกมาสิว่าทำไมหัวหน้าช้างจึงมีหูทิฟเสียงถามอยู่ข้างหูเพราะมีเทวดาประจำช้าง คอยปกปักรักษาครับถูกแล้วคือสื่อสารกับช้างช้างไม่รู้เรื่องเพราะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงต้องเจรจากับเทวดาประจำช้างเวลาช้างจะทำร้ายใครเทวดาประจำช้างจะต้องห้ามก้านแพ่เมตตาให้จ่าฟง ก็คือแผ่ให้เทวดาประจําช้างนั่นเองสมภารวัดป่ามะม่วงจึงแผ่เมตตาไปยังหัวหน้าช้างซึ่งเดินนําหน้าเป็นเวลาเดียวกับที่โขลงช้างเดินมาประชิดติดกรดของท่านพอดีเทวดาประจําช้างซึ่งสิงสถิตยอยู่ในจ่าฝูงได้รับกระแสเมตตาจากพระธุดงค์ที่นั่งอยู่ในกรดก็ร้องสั่งบริวาร ให้หยุดทันทีดังนั้นแทนที่จะเหยียบย่ำสิ่งที่ขวางหน้าให้แหลกลานตามวิสัยช้างป่าที่กำลังตกมันช้างโขลงนั้นกลับพากันเดินเลี่ยงกลดพระธิดงไปอย่างเป็นระเบียบสมพานวัดป่ามะม่วงจึงรอดชีวิตจากการถูกช้างเหยียบมาได้ด้วยประการชนนี้ ขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อที่กรุณาบอกบทผมกลัวจนทำอะไรไม่ถูกถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยผมคงมอดม้วยมรณาทีวาวายแวบเป็นปลาแปะปิ้งอย่างแน่นอนท่านขอบคุณหลวงพ่อเดิมแล้วช้างโขงนั้นจะไปเจอหลวงพ่อดำไหมครับ ถามอย่างอยากรู้ไม่มีสิ่งตอบจากอดีตสมภารวัดหนองโพสมภารวัดป่ามะม่วงจึงรู้ว่าอาจารย์ของท่านไม่ได้อยู่หน้าที่แห่งนั้นแล้วท่านคงจะเห็นว่าหมดภาระหน้าที่ของท่านแล้วกระมังสมภารวัดป่ามะม่วงนั่งภาวนาต่ออีกสองชั่วโมงหลังจากนั้นจึงเตรียมตัวจําวัด ขณะกำลังเอนกายลงก็ได้ยินเสียงร้องเรียกอยู่นอกกรดเป็นเสียงของผู้หญิงลุงพี่ขาออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือเสียงนั้นฟังดูเย็นเยียบอย่างไรพี่กนภิกษุวัย่สจึงลุกขึ้นนั่งและใช้ตาปัญญา มองฝ่าความมืดออกไปนอกกรดสตรีสาวสวยนางหนึ่งยืนร้องเรียกท่านอยู่ในความมืดผู้หญิงที่ไหนจะมาเดินอยู่กลางป่าแต่ผู้เดียวในเวลาดึกเดินเที่ยงคืนเช่นนี้น่าจะเป็นเสือสมิงเสิ่มมากกว่าท่านนึกไปถึงเรื่องราวที่คนเท่าคนแก่เล่ากันสืบๆมาว่าบรรดาลุทกะ ที่ออกไปล่าสัตว์และพักค้างคืนอยู่ในป่าโดยขึ้นไปนอนบนคบไม้เวลาดึกๆจะมีผู้หญิงมาเรียกให้ลงมาหาพวกที่มีพัญญาแล้วก็จะเห็นเป็นพัญญาของตนมาเรียกและบอกว่าพี่กลับบ้านเถอะลูกกําลังป่วยคนที่ไม่รู้เท่าทันก็จะลงมาจากคบไม้ครันพอเข้าไปใกล้ผู้หญิงที่ตนเห็นว่าเป็นพัญญา ก็จะกลายร่างเป็นเสือสมิงกระโจนเข้าใส่และกัดกินเป็นอาหารส่วนคนที่ไม่เชื่อก็จะคว้าปืนเล็งไปที่หนา้าผากหญิงนั้นแล้วลั่นไกเปรียงออกไปก็จะปรากฏเป็นเสือสมิงนอนตายอยู่แม่สาวน้อยคนนี้ต้องเป็นเสือสมิงแปลงมาอย่างแน่นอนทำยังไงดีวุ้ย ปืนเราก็ไม่มีซะด้วยสมภารวัดป่ามะม่วงยังมีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันลุงพี่ขาออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือสาวสวยยังคงส่งเสียงเข้ามาบัดด น, นั้นก็มีเสียงดังขึ้นข้างหูว่า ไม่ต้องกลัวครัวโตมาช่วยแล้วใช้คาถาเมตตามหานิยมของครัวโตสิหรือว่าสมเด็จโตมาช่วยท่านจึงรีบว่าคาถาสมเด็จโตเมตตะคุณนางอารหังเมตตาเมตตะคุณนางอารหังเมตตาเมตตะคุณนงอารหังเมตมตา บริกรรมรวดเดียวสามจบขณะที่เพ่งจิตไปยังสาวน้อยจริงดังที่ท่านคาดคิดเพราะหญิงสาวที่ยืนอยู่หน้ากดห่างออกไปประมาณสองวานั้นได้กลายร่างเป็นสือสมิงตาเขียวดังมรกตส่งประกายวาวับอยู่ในความมืดมันหันหลังกลับและเดินจากไปอย่างไม่สนใจใจดีท่านอีกขอบพระคุณมากขอรับที่ได้เมตตาช่วยกระผม ไม่ทราบว่าต่อไปกระผมต้องเผชิญกับอะไรอีกขอรับท่านถามสมเด็จโตไม่มีเสียงใดๆดังที่ข้างหูจึงรู้ว่าสมเด็จท่านไปแล้วกระนั้นก็อดคิดติดตลกไม่ได้ว่าเจ้าประคุณสมเด็จท่านสอนเราไว้ว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแต่นี่ เรายังไม่ทันได้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราและมาช่วยเราได้ทันท่วงทีขอบพระคุณมากขอรับท่านเอ็นกายลงนอนอย่างไม่ทันจะหลับตาก็เห็นเงาดำๆของใครคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าแม้จะยืนอยู่ภายนอกหากตาปัญญาก็มองเห็นได้ชัดเจน บุรุษนั้นร่างกายบึกบ่นไม่สวมเสื้อตาทั้งสองข้างส่องแสงสีเขียวเรืองๆผิดกับตามนุษย์ทั่วไปท่านหลับตากำหนดรู้หนอสามครั้งด้วยต้องการทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วท่านก็รู้ว่าเขามาจากเมืองนรกหนียมบาลมาพึ่งใบบุญท่านซึ่งเท่ากับพ้นจากการทรมานได้ชั่วคราว เพราะในเมืองนรกพวกสัตว์ผู้สร้างบาปกําไว้แต่ครั้งเป็นมนุษย์จะถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสทุกเวลานาทีเมื่อรู้ว่ามีผู้ทรงศีลทรงธรรมอยู่ณที่ใดก็จะหนีมาพึ่งใบบุญแม้เพียงสองสามชั่วโมงก็ยังดีเมื่อรู้ว่าบุรุษที่ยืนอยู่เบื้องปลายเท้านอกกรดมิได้มาร้าย ท่านจึงปล่อยให้เขายืนอยู่อย่างนั้นพอรุ่งสางเขาก็จะกลับไปเมืองนรกดังเดิมสมภารวัยสี่ห้าตั้งใจจะนอนพักสักสองชั่วโมงวันนี้ท่านต้องเผชิญกับพวกอบายาภูมิสี่ซึ่งได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายหากคิดว่า การได้พบผ่านในสิ่งที่คนอื่นๆเขาไม่ได้พบนั้นเป็นโชคดีท่านก็โชคดีที่สุดแต่ถ้าการผ่านพบพวกที่มาจากอบายภูมิถือเป็นโชคร้ายท่านก็โชคร้ายที่สุดเพราะได้พบครบครันทั้งสี่ภูมิ